เรื่องเวรัญชพรามถูกมารดนใจพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบภิกษุห้ารอรูปที่เมืองเวรัญชาความพิสดารว่าครั้งปฐมโพธิการพระศัสดาได้เสด็จไปเมืองเวรัญชาพร้อมภิกษุห้ารอรูปอันพรามชื่อเวรัญชะทูนนิมนต์แล้วจึงเสด็จไปจำพรรษา เวรัญชพรามถูกมารดนใจมิให้เกิดสติมารห้าได้แก่มั จ, จุมารอภิสังขารมารกิเลสมารขันธมารและเทวปุตตมารเวรัญชพรามถูกมารดนใจมิให้เกิดสติไม่เคยปรารบถึงพระศัสดาเลยแม้สักวันหนึ่งหมายเหตุว่าไม่เคยมีเวลาไหนที่สัตว์โลกจะว่างจากการสวยวิบากกรรมแม้ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตาม มารยังเคยโดนใจชาวบ้านไม่ให้ถวายอาหารบิณฑบาตก็ยังเคยมีเรื่องของมานี้กล่าวอาฆาตพระพทิศสิ ท, ท ธ, ธ, ธะในวันออกมหาพิเนสกรมไม่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปบรรดาวิตกทั้งสามท่านจะต้องตรึกแม้สักอย่างเรารู้จักกิจที่ควรทำแก่ท่านหาอ่านได้ในภาคหเรื่องมารธิดาเมื่อครั้งออกมหาพิเนสกรมแต่ไม่ได้ทรงแสดงว่าเกิดจกกรรมอะไรในอดีตชาติ ในการนั้นเมืองเวรัญชาได้เกิดทุกภิกษุภัยข้ายากหมากแพงภิกษุเที่ยวบินธบาตไม่ได้อาหารจึงลำบากมากพวกพ่อค้ามา้าจัดแจงถวายข้าวแดงซึ่งเป็นอาหารมากแก่ภิกษุองค์ละหนึ่งแลงเพื่อประกอบภัตกิจพระโมคคัลลานะเทระเห็นภิกษุลำบากได้มีความประสงค์จะให้ภิกษุชันง้วนดินและประสงค์จะให้ภิกษุเข้าไปบินธบาตสู่อุตรากุรุทวีป พระศาสดาทรงห้ามทรงตรัสว่าพวกภิกษุมิได้หวาดสะดุ้งปลราลรบเรื่องบิณฑบาตไม่มีความประพฤติด้วยอำนาจของความอยากคือตัณหาอยู่แล้วพระศัสดาประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาสิ้นไตรมาสทรงอัมลาเวรัญชพรามพรามเวรัญชะได้กระทำสักการะสัมมาณะส่งให้เขาตั้งอยู่ในสารณะแล้วเสด็จไปกรุงสาวัตถีก็ในการเสด็จประทับอยู่ในพระเจตวัน พวกกินเดนประมาณห้าร้อคนอาศัยพวกภิกษุในวิหารนั่นเองเขากินโพชนะอันปราณีที่เหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันแล้วก็นอนหลับลุกขึ้นไปเล่นน้ำในแม่น้ำซ้อ ม, มวยปลํำกระโดดโลดเต้นโหร้องเล่นกันอยู่ประพฤติแต่อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกวิหารภิกษุต่างสนทนากันว่าดูเถอะเวลาเกิดทุกภิกขะไคนกินเดนพวกเนี้ยไม่ไดแสดงวิการอะไรที่เวรัญชาเลย แต่บัด น, นี้กินโภชนะอย่างดีแล้วเที่ยวแสดงอาการแปลกๆเห็นปานนี้ส่วนภิกษุสงบอยู่แม้ในเมืองเวรัญชาและถึงแม้บัด น, นี้ก็พากันอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเหมือนกันพระสัสดาทรงตรัสว่าโลตกะชาดกว่าโลตกะแปลว่าลาแม้ในการก่อนคนกินเดนพวกนี้เกิดในกำเนิดลาเป็นลาห้าร้อยตัวได้ดื่มน้ำมีรถน้อยอันเลว คือ น, น้ำหางที่เขาขยำกากซึ่งเหลือจากน้ำลูกจันร์มีรสชุ่มมาสินทบชาติอาชาในห้าร้อยดื่มแล้วจึงกรองด้วยภาพเหลือกปอเก่าๆเป็นเหมือนเมาน้ำหวานเที่ยวร้องเอ็ดอยู่ทรงตรัสเป็นพระคาถาโดยพิสดารว่าความเมาย่อมบังเกิดแก่พวกลาเพราะดื่มกินน้ำหางมีรสน้อยอันเลวแต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก่มาสินทบ เพราะดื่มรสที่ปราณีตนี้ลาเป็นสัตว์มีชาติเลวดื่มน้ามีรสน้อยอันรสนั้นถูกต้องแล้วย่อมเมาคือหลงไหลยินดีส่วนม้าอาชาในผู้เอาทุระเสมอเกิดในตระกูลที่ดีดื่มรสที่เลิศแล้วหาเมาไม่บัณฑิต ท, ทั้งหลายผู้อันโลกธรรมแปถูกต้องแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง ด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้ยินดีและความเป็นผู้เก้อเขินหรือด้วยสามารถแห่งการกล่าวคุณและกล่าวโทษในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายดังนี้แหละ